ตอนที่หนึ่งปความขัดแย้งภายในตระกูลหยวนทวีความรุนแรงโจเจียนเยีย่หลายปีมานี้เจ้าไม่ก้าหน้าขึ้นเลยจริงๆเจ้าวางแผนทําร้ายลูกสาวตัวเองทั้งสองคนแล้วยังมีหน้ามาให้ลูกสาวฆ่าเลี้ยงลูกให้เจ้าอีกรึเจ้าตายไปแล้วหรืออย่างไรลีชิงผิงด่าดทอด้วยความโมโหชีวิตที่ดีของพวกเราแม่ลูกในตอนนี้หลวนแลกมาด้วยน้ําพักน้ําแรงของพวกเราเองหากไม่ใช่เพราะพวกเราดมดีป่านนี้คงตายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เจ้ายังมีหน้ามาขอให้พวกเราช่วยอีกหรือ หลิหวันมองดูสภาพของเขาดูเหมือนว่าเมื่อคืนเขาจะไม่ได้นอนและคงไม่มีเงินติดตัวจนต้องหาที่สุขหัวนอนส่งเดชไปทั้งคืนโจเจี้ยนเย่ถูกด่าจนนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเมื่อหลี่ชิงผิงพูดจบเขาจึงเอ่ยปากหาก้ามีหนทางอื่นข้าคงไม่ทําเรื่องไรยางอายเช่นนี้ตอนนี้ข้าไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่หยวนเดียวจะไม่อาจช่วยเด็กคนนี้ได้เลยชิงถิงตอนที่เราแยากกันเจ้าเอาเงินจากข้าไปเกือบสองพันหยวนไม่ใช่หรือข้ารู้ว่าเจ้ามีเงินพอดีว่าค้าผ่าตัดของเด็กคนนี้ประมาณสองพันหยวนเจ้าช่วยสงสารนางหน่อยเถิด ถุยข้าแค่เอาเงินส่วนที่ควรเป็นของข้าไปเท่านั้นมันเป็นของเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ลีชิงพิงโกรธจัดเงินส่วนของเจ้าน่าถูกแม่เจ้าผลานไปหมดแล้วหลายปีที่ข้าแต่งให้เจ้าเจ้าเคยเลี้ยงดูพวกเราแม่ลูกบ้างหรือไม่แม่ของโจเจีเจ้ยนเยี่กลุมอำนาจเรื่องเงินไว้ทําให้พวกนางแม่ลูกไม่ได้ใช้แม้แต่หยวนเดียวพอเงินหมดแล้วจะไปโทษใครตอนนี้มันคือผลกรรมของเจ้าเองลีชิงพิงกัดฟันพูด คนไร้ความรับผิดชอบอย่างเจ้าควรจะไปติดคุกเสียให้เขต จ, จะได้รับการศึกษาจากรัเสเซียบ้างโจจี้นเ ย, ย่ไม่โตกลับเขารู้ดีว่าตอนนี้ไม่มีอะไรจะพูดไม่ว่าจะพูดอะไรก็ผิดไปหมดแล้วเจ้าจะให้ข้าทำอย่างไรโจจี้นเ ย, ย่จนปัญญาเจ้าจะทนดูเด็กคนนี้ตายไปต่อหน้าต่อตาหรือต่อให้ตายนางข้าก็ไม่มีเงินแม้แต่จะทำศพให้นางลูกสาวตัวเองแท้แต่กลับมาถามข้าว่าต้องทำอย่างไรเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือ ลิชิงพิงอดใจไม่ไหวพุ่งเข้าไปตบหน้าเขาไปสองฉากจนเจ็บฝ่ามือไปหมดมีน้าหละถึงได้ไรย้ยางอายนักหนังหน้ า, นาหนาเสียจริงตบพอใจหรือยังถ้ายังไม่พอใจจะตบอีกกี่ทีก็ได้เจ้าลีชิงพิงเห็นว่าตอนนี้เขาไม่เพียงแต่ไรยังอายแต่ยังทำตัวเป็นอันถานคนอย่างเจ้านะ่าควรตายไปเสียลูกทั้งสองคนต้องมาจบชีวิตเพราะเจ้าคนอย่างเจ้าทำไมยังไม่ไปตายอีกอยู่ไปก็เป็นแค่ขยะโจเซียนเ ย, ย่ไม่สนใจว่านางจะด่าอะไรจะด่าอย่างไรก็ได้ขอเพียงช่วยชีวิตลูกสาวของเขาได้ก็พอ ใช่จะดอย่างไรก็ตามใจเจ้าเถิดตอนนี้ข้าลําบากมากจริงๆเห็นแกความสัมพันธ์เก่าก่อนของเราช่วยชีวิตเด็กคนนี้หน่อยได้หรือไม่โจจี้นเยี่ย t h o หายใจถือว่าข้าขอร้องเจ้าละ่ะก็ได้หลิวหวานนิ่งเงียบไปนานก่อนจะเอ่ยขึ้นตอนนี้โรงพยาบาลของพวกเรามีกลุ่มทดลองอยู่หากเจ้ายอมให้ลูกสาวเข้ากลุ่มทดลองนางก็จะมีทางรอดหลิวหวานอธิบายสถานการณ์ให้เขาฟังโจจี้นเย่ยลังเลเล็กน้อยราวกับกําลังทีจะรณาสิ่งที่หลีหวานพูด นี่เป็นทางเดียวของเจ้าในตอนนี้ข้าจะไม่ยุ่งกับเด็กคนนี้ลิวันเอ่ยเสียงต่ำแม้แต่ข้าเจ้ายังไม่เคยทําหน้าที่เลี้ยงดูเลยแล้วข้ามีเหตุผลอะไรที่ต้องไปยุ่งกับลูกสาวของเจ้าเจ้าตัดสินใจเอาเองเถอะตกลงโจจีน้นี้สูดลมหายใจลึกข้าฝังเจ้าฝากชีวิตของเสี่ยวไปไว้กับเจ้าด้วยฝากไว้กับข้าก็ไม่มีประโยชน์ข้าไม่ได้เป็นคนผ่าตัดทางนั้นจะจัดเตรียมอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาโจาเสี่ยวไปยังเด็กนักนางไม่รู้เลยว่าชีวิตถูกจัดแจงไปอย่างง่ายดายเช่นนี้ วันนั้นนางก็ได้เข้าพักในโรงพยาบาลส่วนเวลาผ่าตัดที่แน่นอนยังต้องรอต่อไปตอนนี้ไม่ว่านางจะเป็นอะไรไปก็ไม่เกี่ยวข้องกับทางโรงพยาบาลทั้งสิ้นเพราะการผ่าตัดย่อมมีความเสี่ยงอยู่แล้วหลีหวานไม่เคยถามถึงอาการเลยสักครั้งโดยมีโจเจี้ยนเยี่ยคอยเฝ้าดูแลโจเสี่ยวไปอยู่ตลอดแน่นอนว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะคำขู่ของหลีหวานได้ผลหรือไม่หากชายผู้นี้กล้าทิ้งเด็กคนนี้อีกนางจะแจ้งตำรวจจับเขาทันที หยวนเศร้าเฮงไม่ได้มาหาหลีหวานเป็นเวลานานานางจึงสงสัยว่าช่วงนี้เขากำลังยุ่งเรื่องอะไรอยู่ถึงขนาดไม่มีเวลามาพบหน้ากันเมื่อหยวนเย็ยนเย็ยนมาหาหลีหวานเห็นสีหน้าของนางไม่สู้ดีนักจึงคิดว่านางไม่สบายเจ้าเป็นอะไรยังพูดไม่ทันจบหยวนเย็ยนเย็ยนก็โพ่งขึ้นมาทันทีพี่ชายข้าเกิดเรื่องแล้วหลีหวานชะงักพูดให้ชัดๆหน่อยเขาเป็นอะไรเป็นฝีมือของอารองตระกูลหยวนหยวนเย็ยนเย็ยนมีสีหน้าเคร่งเครียด อรองถึงกับจ้างคนขับรถมาชนที่ชายข้ากับให้ตายแล้วพี่ชายเจ้าละ่ะหัวใจของหลีหวานกระตุกทันทีความขัดแย้งในตระกูลหยวนรุนแรงถึงเทียงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่หยวนเส้าเหิงเป็นอะไรมากหรือไม่พี่ชายข้าดวงแข็งแค่กระดูกซี่โครงร้าวเท่านั้นหมอบอกว่ากรณีนี้ไม่ต้องผ่าตัดแต่ต้องพักฟื้นอยู่ที่บ้านหยวนเส้าเหงิงไม่ยอมให้หลีหวานรู้เพราะกลัวนางจะกังวลหลีหวานข้ารู้ว่าเจ้าคบกับพี่ชายข้าอยู่ตอนนี้จะอยากแก้แค้นที่พี่ชายข้าหรือไม่ ยวนเย็ยนเย็นลดเสียงต่ำลงในดวงตาฉายแววเคียดแค้นคุณปู่คุณย่าบอกว่าจะจัดการเรื่องนี้เองแต่ข้ารู้ดีสุดท้ายก็คงแค่ทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กกลายเป็นไม่มีเรื่องอย่างมากก็แค่ตำหนิอารองไม่กี่คำพี่ชายข้าต้องเจ็บตัวฟรีฟรีหรือหลหวันพอจะ้ะเข้าใจได้พระสำหรับผู้เท่าผููแก่แล้วไม่ว่าลูกหรือหลานก็คือเนื้อนหนังมังสาเหมือนกันย่อมไม่อาจตำหนิอารองตระกูลยวนรุนแรงเกินไปนักพูดอะไรบ้างสิอย่ามาทำเป็นเวทีนี่ตกลงหรือไม่ก็บอกมาคำเดียวข้าจะช่่วยยยยยเเเเอองนนน็็ ข้าบอกพ่อกับแม่แล้วแต่พวกเขากลับไม่เห็นด้วยบอกว่าเรื่องของผู้ใหญ่เด็กไม่ต้องยุ่งเหื่อข้าไม่ใช่เด็กเสียหน่อยหยุนเย็นเย็ น, เ, ยนเบะปากด้วยความโกรธข้าคิดไปคิดมาก็มีแต่เจ้าเท่านั้นที่พอจะช่วยข้าได้หลีหวานขมวดคิ้วเรื่องนี้เจ้าอยากให้ข้าจัดการอย่างไรแน่นอนว่าพวกเราต้องแอบหาวิธีแก้แค้นคืนในเมื่อพวกเขาสามารถจ้างคนมาชนรถพี่ชายข้าได้พวกเราก็จ้างคนไปชนคืนบ้างสิข้าไม่เชื่อหรอกว่าพวกเขาจะดวงแข็งเหมือนกัน หากเกิดอุบัติเหตุจนคนตายขึ้นมาจริงๆพวกเราต้องรับผิดชอบทางกฎหมายนะทั้งเจ้าและข้าต้องติดคุกหลิววันเห็นว่านางยิงเด็กเกินไปและมีความรู้ด้านกฎหมายน้อยมากบางครั้งการทำเรื่องจงแจ้งอาจไม่ส่งผลดีสู้ใช้เล่เหลี่ยมลับจะดีกว่าข้าว่าที่คุณอาทั้งสองพูดนะถูกแล้วเรื่องนี้เจ้าอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งเลยพวกเขาคงไม่ปล่อยให้เจ้าหึงเจ็บตัวฟรีๆหรอกไม่แน่ ว, ว่าตอนนี้อาจจะคิดวิธีแก้แค้นไว้แล้วก็ได้ข้ารู้แล้วเจ้าไม่ได้ชอบพี่ชายข้าจริง ๆ, จงๆเจ้าไม่ได้ห่วงเขาเลยสักนิด คอยดูเถอะกรอกไปข้าจะเล่าเรื่องนี้ให้พี่ชายฟังพี่ชายต้องเลิกกับเจ้าแน่ๆหยวนเย็นเย็นกรอกตาด้วยความโกรธพลางกอดอกแม่คุณหนูเลิกอาลวะที่นี่ได้หรือไม่นี่อะไรไว้คุยกันหลังข้าเลิกงานตอนนี้ข้ายังมีคนเท่รออยู่อีกมากเจ้าฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรืออย่างไรคนเท่พวกนั้นสําคัญกว่าชีวิตพี่ชายข้าหรือเจ้าบอกเองไม่ใช่หรือว่าพี่ชายเจ้าแค่กระดูกล้าเล็กน้อยข้าขอดูดโกรธคนเท่ของวันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วจะไปเยี่ยมพี่ชายเจ้า